มีใครมีอะไรอยากจะถามอยากจะรู้ไหมอยากจะรู้อะไรไม่รู้อะไรมาทําไมคือธรรมานี้มันมีเหมือนนักเรียนมันมีหลายชั้นนีมาเรียนร่วมกันครูเราไม่รู้ว่ามีนักเรียนชั้นไหนมาบา้างสอนผิดชั้นคนฟังจะฟังไม่เข้าใจเช น, นเกิดมีเด็กอนุบาลมาไปสอน ผมเด็กปถมเดี๋ยวเด็กอนุบาลฟังไู้เรื่องจิตใจของเรามันก็เป็นเหมือนกับคนเนี่ยมีระดับความรู้ไม่เท่ากันความรู้ทางธรรมนี่มีระดับจิตของแต่ละคนมีความรู้ไม่เท่ากันถ้าไปสอนอไม่ตรงกับระดับจิตคนฟังก็จะไม่ได้รับประโยชน์ ท่็นไปสอนคนเรื่องนั่งสมาธิกับคนที่เขาไม่นั่งสมาธิสอนไปเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเปกติก็จะก็จะสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปจนถึงชั้นระดับปริญญาศาสนาก็มีสอนเป็นขั้นขั้นแรกก็คือขั้นทานทำทุกขั้นนี้เป็นขั้นที่ง่ายที่สุดในการปฏิบัติ ทำทานก็คือมีอะไรก็ให้คนอื่นเรียกว่าทานแบ่งกั น, าานาการให้คำว่าทานแปลว่าการให้ถ้าเราอยากจะมีความสุขถ้าเรามีอะไรเราก็ให้กันเช่นปีใหม่ที่เราเราให้กันให้ของขวัญกันให้แล้วเราก็มีความสุขอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างความสุขระดับอนุบาล ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราอย่าหวงเงินทองที่เราไม่ต้องใช้ถ้าเราแจากให้คนอื่นได้แบ่งให้คนอื่นได้ก็แบ่งไปโดยเฉพาะคนที่เขาเดือดร้อนเขาทุกข์ยากลําบากอพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือกันไปเวลาเราเห็นคนที่เขาเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือจากเราเราจะรู้สึกมีความสุข ที่เราทำบุญกับพระก็เพราะว่าเราเห็นว่าพระนี้ท่านเดือดร้อนถ้าพวกเราไม่ใส่บาตรให้ไม่หาของมาให้ใช้ท่านก็จะอยู่ยากลําบากเพราะพระไม่มีอาชีพอาชีพของพระคืคอการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะ เห็นผลของการปฏิบัติจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆพวกเราทุกคนนี้มีความทุกข์ด้วยกันทั้งหมดแม่ว่าจะยากดีมีจนจะสูงจะต่ำจะรวยจะจนนี้ทุกคนมีความทุกข์ใจด้วยกันทั้งนั้นและไม่มีอะไรที่จะมาะกำจัดความทุกข์ใจไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความสบายใจได้นอกจาก การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับพระนี้ท่านอยู่ในระดับ อ, อยู่ระดับมหาวิทยาลัยท่านทำทานหมดแล้วพระนี้ที่มาบวชนี้มีข้าวของเงินทองอะไรก็ยกให้คนอื่นไปหมดนะครับไม่ต้องการที่จ ะ, ะพึ่งเงินทองเพราะเงินทองนี้เป็นที่พึ่งแบบดาบสองคม ให้ทั้งความสุขและให้ทั้งความทุกข์เวลามีเงินทองก็สุขกันพอเงินทองหมดก็ทุกข์กันอันนี้เงินทองก็ยังไม่ใช่เป็นวิธีเครื่องมือที่จะกาจัดความทุกข์ได้กาจัดได้ชั่วคราวชั่วขณะที่มีเงินทองพอไม่มีเงินทองก็จะทุกข์กันหรือแม้กระทั่งมีเงินทองก็ยังทุกข์ได้ความทุกข์บางอย่างเงินทองกาจัดไม่ได้ คนมีเงินทองอยังต้องทุกข์กันยังต้องร้องห่มร้องไห้กันอยู่แต่ถ้าคนที่มีธรรมะแล้วจะกําจัดความทุกข์ได้ทุกรูปแบบทุกชนิดเนี่ยพระท่านมาท่านมาศึกษาและมาปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ในทุกรูปแบบสําหรับญาติโยงนี้ไม่มีความสามารถที่จะมา บ, บวชเป็นพระได้ก็กําจัดความทุกข์ได้ในระดับ ต้นๆเช่ น, นระดับการทำบุญทาทานเวลาไม่สบายใจทำบุญทาทานแล้วก็จะมีความสุขใจอันนี้ก็เป็นระดับแรกที่ทุกคนส่วนมากทำกันได้ถ้าอยากจะมีความสุขใจ วันไหนไม่สบายใจก็ลองไปทําบุญด้วไปเลี้ยงเด็กกำพร้าไปเลี้ยงคนแก่คนชราไปเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรก็ได้หรือเลี้ยงเพื่นผูงก็ได้จัดงานเลี้ยงที่ให้กับเพื่อนฝูงก็ได้เช็นวันเกิดเนี่ยเราจัดงานเลี้ยงให้เพื่อนฝูงมารับประทานอาหารเราก็มีความสุขอจากการที่เราได้แบ่งปันอ ความสุขให้แก่ผู้อื่นนี่คือการปฏิบัติระดับแรกของพระพุทธศาสนาขอให้เร า, เาทำบุญทำทานกันเรื่อยๆถ้าทำได้ทุกวันยิ่งดีไม่ต้องทำมากถ้าทำทุกวันไม่ต้องทามากทาตามกำลังของเร า, เ, าเหมือนชาวบ้านที่ใส่บาตรทุกวันเนี่ยเขาก็ใส่ไปตามกำลังของเขา เขามีอะไรเขาแบ่งได้เขาทำกับข้าวเขาก็แบ่งกับข้าวใส่ถุงถวายพระสักถุงหนึ่งเอันนี้ก็เป็นการทำบุญทาทานถ้าเราไม่ได้ทำกับข้าวสมัยนี้เราใช้เงินซื้อกับข้าวเราจะใส่บาทเราก็ต้องซื้อของใส่บาทถ้าเราไม่มีพระมาให้เราใส่บาท เราอยากจะทำบุญกับพระเราก็เอาเงินที่จะซื้อของใส่บาตรใส่กระปุกเอาไว้ก่อนใส่ไว้เก็บไว้สะสมไปพอถึงเวลาที่เราว่างอยากจะไปทำบุญเราก็จะมีเงินไปทำบุญถ้าเราไม่เก็บไว้เอาเงินไปใช้อย่างอื่นใช้กับความอยากต่างๆพอถึงเวลาจะทาบุญก็ทาได้นิดเดียวทำไม่ได้มาก บุญนี้เป็นเหมือนกับอาหารของร่างกายใจก็เป็นเหมือนร่างกายต้องการอาหารอาหารบุญนี้เป็นอาหารของใจถ้าใจได้ทำบุญแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจถ้าได้ทำทุกวันมันก็จะมีความสุขใจอิ่มใจไปทุกวันถ้าไม่ทำใจก็จะไม่สบายใจหรือหิวแล้วแทนที่จะไปทำบุญก็ไปทำอย่างอื่น พอไม่รู้ว่าวิธีทำให้ใจอิ่มทำให้ใจหายหิวนี้ทำอย่างไรก็คิดว่าเวลาหิวเวลาอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันความอยากไปเที่ยวนี้แสดงว่าใจหิวใจไม่ได้รับประทานอาหารใจเลยคิดว่าถ้าได้ไปเที่ยวแล้วจะทำให้ใจอิ่มใจสุขใจสบายแต่มันเป็นความสุขความอิ่มแบบยาเสพติด ไปเสพยาเสพติดก็รู้สึกสบายไปชั่วคราวพอลธิ์ของยาเสพติดหมนก็หิวขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนกับเอาเงินไปซื้อไปทำบุญทำบุญแล้วความหิวความอยากเที่ยวความอยากจะอะไรมันก็ไม่มีแล้วใจก็จะอิ่มจะสบายถ้าไปเที่ยวมันอิ่มเดี๋ยวเดียว พอกลับมาบ้านก็หิวอีกแล้วอยากจะออกไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าไปทำบุญกลับมาบ้านก็ยังอิ่มใจสุขใจทุกครั้งคิดถึงบุญที่เราทำก็ยังมีความอิ่มใจสุขใจอยูวิธีที่จะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจนี้ต้องทำบุญทำทานอย่าไปเอาไปซื้อของไม่จำเป็นอย่าไปเที่ยว อย่าไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นไปดูภาพยนตร์ไปฟังเพลงไปดูคอนเสิร์ตไปอะไรไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆอันนี้มันจะเป็นยาเสกติดเพราะเที่ยวแล้วมันจะติดแล้วเวลาไม่ได้เที่ยวมันจะทุกข์เวลาไม่มีเงินเที่ยวมันจะทุกข์แต่ทําบุญนี้มันจะไม่ติดทําบุญแล้วมีความสุข เวลาไม่มีเงินทําบุญก็จะไม่ไม่ทุกเวลามีก็จะทําบุญเพราะเห็นคุณประโยชน์ของการทําบุญทําทานว่าดีกว่าการไปเที่ยวดีกว่าการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่เรามีอยู่แล้วซื้อมาทําไมเสื้อผ้าเราก็มีอยู่แล้วซื้อมาทมําไมกระเป๋าก็มีอยู่แล้วรองเท้าก็มีอยู่แล้วซื้อมาก็เท่านั้นซื้อมาก็ดีใจเดี๋ยวเๆใช่ไหม พ อ, อมาจากร้านเอากระมากลับบ้านก็หายดีใจนะ้วก็เอาวางไว้เฉยๆพอออกไปนอกบ้านเห็นของในร้านก็อยากซื้ออีกอนะนี่แหละนี่คือการใช้เงินแบบไม่ถูกวิธีทําให้ใจไม่อิ่มทําให้ใจหิวใจอยากอยู่เรื่อยๆแล้วจะทําให้เดือดร้อนเพราะว่ามันจะมเงินทองจะไม่พอใช่เพราะของที่จะซื้อนี่มันเยอะแล้วกัน เงินที่เราจะใช้ซื้อนี่มันมีจำกัดถ้าปล่อยให้ซื้อไปตามใจอยากแล้วเดี๋ยวเดียวเงินก็ไม่เงินก็หมดแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นหนี้แล้วถ้าใช้บัตรเครดิตนี่รูดเอารูดเอาพอถึงสิ้นเดือนก็ส่งบินมาให้โอ้ยตายแล้วเป็นหนี้แล้วแล้วถ้าไม่ระมัดระวังอาจจะต้องไปทําบาปไปโกงไปขโงย ไปหาเงินโดยมิธีที่ผิดศีลผิดกฎหมาย mm. ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาถ้าทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไป mm. นี่คือการใช้เงินที่ไม่ถูกใช้แล้วเป็นโทษถ้าอยากจะใช้เงินเอาไปทำบุญอย่างเดียวบุญนี้มีไว้ใช้ใจ่ายสำหรับสิ่งที่จำเป็น แทนอาหารเราต้องกินทุกวันถึงเวลากินอาหารก็ต้องมีการซื้ออาหารเสื้อผ้าถ้าไม่พอใช้ก็ต้องซื้อแต่ถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อที่อยู่อาศัยก็ต้องมีค่าเช่าค่าน้ำํำค่าไฟค่าผ่อนบ้านหรืออะไรก็ตา่างแล้วก็ยารักษาโรค ก, ก็ต้องเสียเวลาไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาล เราซื้อประกันก็ต้องจ่ายค่าประกันเช่นประกันสังคมประกันอะไรอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการจ่ายค่าอยู่ค่ายาร่วงหน้าไว้ก่อนเพราะถึงเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้เป็นเงินที่เราต้องใช้จำเป็นใช้เงินแบบนี้ไม่เป็นปัญหาเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลี้ยงดูร่างกายให้เราอยู่อย่างเป็นปกติสุข นี่คือวัอนที่เราหากันหาเพื่อมาใช้เลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่ได้ให้หามาเพื่อใช้เล이이ีย้ยงดูความอยากอย่าไปอย่าไปเลี้ยงความอยากความอยากมันยิ่งเลี้ยงมันมันยิ่งโตมันยิ่งอยากมากอยากได้นู่นก็ซื้ออยากได้นี่ก็ซื้อพอซื้อแล้วความอยากมันหายไปไมไม่หายหรอกมันจะมีอยากเพิ่มมากขึ้นเองเห็นีอย่าไปเลี้ยงความอยากต้อง ต้องข่าความอยากด้วยการให้มันอดอยากอยากไปมันอยากซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องซื้ออยากจะซื้อกระเป๋าใบหม่มีอยู่ต้องกี่ใบแล้ววิธีที่จะดูว่ามันเป็นความอยากหรือความจำเป็นก็ถามว่าเวลาอยากได้อะไรถ้าไม่ได้มันมาเราจะตายไหมถ้ามันตายก็เรียกว่าจำเป็นต้องมีเช่นลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจนี่ตายหัหย ตายถ้าต้องซื้อลมหายใจก็ต้องซื้อใช่ไหมถ้าไม่มีลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจที่เขาให้ใช้ฟรีๆอย่างทุกวันนี้ต่อไปเกิดเขามีกฎหมายมาบังคับว่าต้องจ่ายค่าลมหายใจเราก็ต้องจ่ายไหนที่มันจําเป็นถ้าไม่มีแล้วจะตายอันนั้นถือว่าจําเป็นอันนั้นไม่ถือว่าเป็นความอยากไม่เป็นกิเลสไม่เป็นยาเสพติด แต่ถ้าอันไหนอยากได้แล้วถ้าไม่ได้มันแล้วไม่ตายไม่ได้มันมาแล้วไม่ตายก็ถือว่ามันไม่จําเป็นไม่ต้องมีเช่นมีเสื้อผ้าพออยู่แล้วแต่เห็นเสื้อผ้าสวยๆอยู่ตามร้านเห็นแล้วอยากซื้ออย่างงี้ซื้อมาอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นซื้อยาเสพติดเหมือนติดยาเสพติดซื้อแล้วมันจะไม่พอตัวเดียวไม่ไมพอหรอก เดี๋ยวพวกนี้ออกไปเห็น <S <S อีกมันก็อยากซื้ออีกเนี่ยวิธีที่จะรู้ว่ามันเป็นความอยากหรือเป็นความจาเป็นก็ต้องถามว่าถ้าไม่มีมันจะตายไหมถ้ามีไม่ถ้ามีมันแล้วตะไม่มีมันแล้วตายก็ต้องมีก็ต้องซื้อมาเช่นถ้าเสื้อผ้าหมดไม่มีเสื้อผ้าใส่เช่นไฟไหม้น้าท่วมบ้านนี้ไม่มีเสื้อผ้าเลยอันนี้ก็ต้องซื้อ อันนี้ถือว่าไม่เป็นความอยากเป็นความจำเป็นเช่นบ้านไฟไหม้ก็ต้องซื้อบ้านใหม่อย่างนี้ก็จำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าไฟไหม้หมดไม่มีเสื้อผ้าใสก็ต้องซื้ออาหารหมดต้องกินอาหารอย่างนี้ก็ต้องซื้อแล้วก็ต้องซื้อแบบพอประมาณถ้าซื้อมากเกินไปก็เป็นกิเลสซื้อน้อยเกินไปก็เป็นกิเลส ซื้น้อยก็เสียดายเงินหัวเงินอันนี้ก็เป็นกิเลสซื้อมากกินมากเกินไปก็เป็นกิเลสกินด้วยความอยากไม่ได้กินเพื่อเลี้ยงร่างกายกินเพราะมันสนุกมันอร่อยมันมันมันถูกปากก็เลยกินใหญ่กินอันนี้ก็เป็นกิเลสอีกต้องกินพอดีพระพุทธเจ้าบอกรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ ให้พอประมาณให้พอกับความต้องการของมันเช่นอาหารก็มีหลายราคาใช่ไหมอาหารแบบเดียวกันแต่ถ้าขายที่หนึ่งก็ราคาหนึ่งขายที่ก็ราคาหนึ่งส้มตำข้างถนนก็ราคาหนึ่งพอไปกินในโรงแรมก็เป็นอีกลาคาหนึ่งแล้วเรื่องอะไรต้องไปเสียเงินเยอะๆเมื่อมันราคาอันเดียวกันกินของที่มันถูกไม่ดีกว่านะมันก็เป็นอาหารเหมือนกัน กินแล้วมันก็ทําให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันร่างกายค้าคับส้มตําอยู่ข้างถนนหรือส้มตําอยู่ในร้านอาหารอยู่ในโรงแรมมันก็กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันไม่ใชนะ่แล้วเรื่องอะไรเรต้องไปเสียเงินมากๆกิ น, นโรงแรมมันก็หรูหล้าหน่อยมีเครื่องปรับอากาศมีอะไรสวยๆมีคนมาเสิร์ฟถ้ากินข้างถนนก็มีแม่ค้าก็ดูอาจจะไม่ ไม่ไม่น่ากินเท่ากับอยู่กินตามร้านตามโรงแรมแต่ถ้าเรากินเพื่ออยู่จริงจริงนกินที่ไหนก็เหมือนกันเราต้องดูด้วยว่ามันจาเป็นจะต้องเสียเงินโดยใช่เหตุหรือเปล่าเพราะเงินทองนี้เก็บไว้มันดีกว่าใช้ไปใช้ไปแล้วมันไม่กลับมาถ้าเก็บไว้ยังมีอยู่เกิดเวลาจาเป็นต้องใช้อะไรขึ้นมาก็ยังมีใช้ยอยู่แต่ถ้าใช้ไปหมดแล้วนี่มันไม่มันไม่กลับมา ต้องไปหาใหม่เราจะลาบากเ ก, เกิดเกิดเจ็บใข้ได้ป่วยไม่สบายไปทำงานหาเงินไม่ได้ไม่มีเงินเก็บสำรองไว้เราเราก็จะลาบากแต่ถ้าเรารู้จักใช้เงินรู้จักประหยัดใช้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ใช้ด้วยอารมณ์อาหารนี่มือห้ามือละร้อยกับมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันถ้ากินมือละร้อยก็ยังมีต้องสีสี่มือให้กินได้ ถ้ากินมือละห้าร้อยก็กินมือเดียวเดี๋ยวเกิดไม่มีไม่มีเงินไม่มีรายได้มันก็จะอดอ น, นี่ก็คือเรื่องการใช้เงินวิธีใช้เงินให้มันเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษต้องใช้แบบรู้จักประมาณใช้แบบมีเหตุมีผลอย่าใช้ตามอารมณ์อารมณ์กิเลสมันจะหลอกให้เราใช้เงิน เ, นเยอะๆเพราะมันคิดว่ายิ่งใช้เยอะยิ่งมีความสุขแต่มันไม่ มันไม่บอกเราตอนเวลาหามันสุกไหมเวลาจะทํางานหาเงินสักบาทนึ่มันเหนื่อยไหมวันนึงแทบเป็นแทบตายได้มากี่ตังค์เอาไปใช้นี่ไม่กี่นาทีก็หมดแนละ้วนีเราต้องคอยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าคอยหักล้ามความอยากของเราความอยากนี้มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราเลยมีแต่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์เราต้องพยายามเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสู้กับมัน พระพุทธเจ้าสอนบอกให้มักน้อยให้สันโดษนะมักน้อยก็คือใช้น้อยๆ อ, อย่าใช่มากใช้เท่าที่จำเป็นสันโดษก็ใช้ตามฐานะของเรามีมากมีน้อยเราก็ต้องใช้ตามฐานะของเราไม่ใช่เพื่อนฝูงเขามีมากเขาใช้มากแล้วเราจะไปใช้ตามเขาเดี๋ยวเราก็เดือดร้อนเพราะเราไม่มีมากเหมือนเขาเราต้องดูกำลังของเรา ดูลายรับของเราแล้วควรที่จะควบคุมรายจ่ายของเราไม่ให้เกินรายรับแล้วควรที่จะมีรายรายเก็บด้วยได้มาแล้วต้องแบ่งเป็นสมส่วนได้เป็นดีส่วนหนึ่งก็ใช้กับความจําเป็นต่างๆใช้กับข้าวข้าวปลาอาหารของใช้จําเป็นที่ยังใช้ส่วนที่สองก็เอาเก็บสํารองไว้เผื่อวันข้างหน้าเจ็บไข้ได้ป่วยขาดเงินขาดทอง ไม่มีงานทำแล้วอีกส่วนที่สามก็เอาไปใช้ไปทำบุญทำไมต้องทำบุญเพราะถ้าไม่ทำบุญใจเราจะไม่อิ่มถึงแม้ร่างกายจะอิ่มถึงได้กินข้าวแล้วแต่ใจมันก็ยังหิวยังอยากอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แต่พอได้ไปทำบุญแล้วก็จะทำให้ใจเราอิ่มแล้วบุญนี้มีประโยชน์หลายอย่างด้วยกันนอกจากทำให้ใจเราอิ่มแนละ้วมันยังเป็น เงินที่เราติดตัวไปได้เวลาเราตายไปเวลาร่างกายตายไปนี้เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายไปนู่นมานี่สั่งให้ไปซื้ออะไรมันมาจากผู้รู้ผู้คิดความอยากก็อยู่ในผู้รู้ผู้คิดเนี่ยแต่ถ้า ผู้รู้ผู้คิดนี้มีบุญมันก็จะไม่หิวโหวยมันก็จะไปอยู่ในโลกทิพย์เหมือนกับไปแบบมีเงินมีเงินซื้อของต่างๆซื้ออาหารซื้ออาหารใจบุญนี้เป็นอาหารใจเอาไปติดตัวได้ถ้าไม่มีบุญติดตัวไปก็จะไปเป็นขอทานทางทางในโลกทิพย์พวกขอทานนี่เป็นพวกที่เราอุทิศบุญให้ใเวลาเราทำบุญแล้วเรากลัวว่า คนที่ตายไปไม่มีบุญติดตัวไปเราก็เลยขอส่งบุญไปให้เขาเพื่อเขาจะได้มีบุญไว้ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจเขา<ม>บุญที่เราทำนี่ไม่สูญเปล่า<ม>เําไม่ใจเรามีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาตายไปก็เหมือนกับมีทรัพย์ติดตัวไปเหมือนกับที่เราเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเรา เ, าเงินบาทไปไม่ได้ใช่ไหม แล้วก็เปลี่ยนเงินบาทไปเป็นเงินสกุลต่างประเทศอันนี้ก็เหมือนกันการทําบุญก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนสกุลเงินสกุลตายไปแลาเอาเงินบาทไปไม่ได้รับสมบัติเข้าของนี่เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราไปทําบุญนี่เราไปได้หมดเลยเรื่องอะไรที่ให้คนอื่นทำไมแต่ไม่เอาขนติดตัวไปด้วยทําบุญให้หมดก่อนตายรีบทําบุญถ้ามีกี่ตังค์เอาไปทําบุญหมด แล้วเราจะได้ไปแบบเศรษฐีบุญพวกเศรษฐีบุญก็เขาเรียกว่าพวกเทวดาพวกเทวดานี้เป็นเหมือนพวกเศรษฐีที่ไปเที่ยวต่างประเทศเศรษฐีไปเที่ยวต่างประเทศนี้ก็จะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวอยู่โรงแรมห้าดาวมีทัวร์ระดับระดับทองคำอะไรามีคนพาเที่ยวพาอะไรก็รมีเงินจ่ายให้เขา พวกนี้พวกที่มีบุญติดตัวไปเขาไปเป็นเทวดาไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ก็เป็นเหมือนโรงแรมชั้นต่างๆหรือระดับการท่องเที่ยวระดับต่างๆมีเงินน้อยก็เที่ยวระดับต่ำเข้าใจไมพวกฝลั่งที่ไม่มีเงินก็แบกเป้กันมไปอยู่แถวเข้าสารอยู่แถวทางเกสท์เฮาส์พวกฝลั่งที่มีเงินก็ไปอยู่ตามฮิลตันอยู่ โรงแรมห้าดาวกันอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยบุญที่เราทําไว้เนี่ยจะทําให้เราไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆทําทมากก็จะเป็นเทวดาชั้นสูงเพราะมีบุญมากมีเงินมากแล้วนอกจากนั้นเวลากลับมาเกิดใหม่บุญที่เราทําไว้ก็ยังรอเราอยู่เงินเป็นเหมือนเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารพอเรากลับมาเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีสบาย คนที่มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่เป็นพวกที่เคยทําบุญมาก่อนนะพอเราากลับมาเกิดก็มาเบิกเงินเก่าที่ได้ทําได้ฝากไว้ในธนาคารไม่ต้องไปหาใหม่พวกที่มาเกิดเป็นลูกคนจนเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ค่อยได้ทําบุญกันพอกลับมาเกิดอะไรก็ต้องไม่มีเงินไปเบิกในธนาคารอันนี้แหละทำไมเราจะควรจะทําทบุญกันบุญนี้สําคัญกว่าปัจจัยสี่ที่เราเลี้ยงร่างกายสีิ เพรร่างกายเราเลี้ยงมันดีหรือไม่ดีอย่างมากมันก็แค่ตายเลี้ยงดีขนาดไหนมันก็ตายตายช้าตายเร็วทั้งนี้ถ้ามีเงินเลี้ยงเลี้ยงนั่งกายได้ดีก็อยู่ได้นานหน่อยอยู่ได้เจ8ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีถ้ามีเงินน้อยอาจจะเลี้ยงอยู่ไม่ได้นานอาจจะตายแค่สี่สิบห้าสิบปีแต่มันก็ตายเหมือนกันแต่บุญนี่มันไม่ มัน ม, มันเอาไปเลี้ยงใจที่ไม่มีวันตายที่สาคัญกว่าแล้วความสุขของทางใจกับความสุขของทางร่างกายนี่ก็ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขของร่างกายนี้เหมือนกับน้าในตุน่มความสุขของใจนี่เหมือนน้ำในสระน้าในบึงมันยิ่งใหญ่กว่าเวลาเรามีความสุขใจนี้บางทีความทุกข์ใจนี้ความทุกข์า ท, กทางร่างกายนี้ไม่มีความหมายอะไร ใจความสุขใจมันจะกบเอาไว้ทําให้ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกายแต่เวลาถ้าความถ้ามีความทุกข์ทางใจเนี่ยมันจะหนักกว่าความทุกข์ทางร่างกายร่างกายจะสุขเต็มที่แต่ถ้าใจไม่สบายแล้วความสุขทางร่างกายก็ถูกกบไปเช่นเวลาเราจัดงานเลี้ยงกําลังเลี้ยงฉลองกินกันอยู่มีความสุข พอได้ข่าวร้ายขึ้นมาเนี่ยใจไม่สบายเลยได้ข่า ว, วาจะถูกปลดถูกโยกย้ายถูกไล่ออกจากงานหมอกำลังเลี้ยงฉลองทางร่างกายมีความสุขพอได้ความทุกข์ทางใจความสุขทางร่างกายหายไปหมดเลยความสุขความทุกข์ทางใจมันมันมากกว่าหนักกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายเราจึงควรที่พยายามที่จะสร้างความสุขทางใจให้มาก นี่ก็คือแบ่งเงินไว้สามส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ที่จำเป็นแล้วก็ใช้อย่างประหยัดใช้อย่างมักน้อยสันโดษใช้พอให้เลี้ยงร่างกายได้มองพยายามมองร่างกายว่ามันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นคนรับใช้เราเรื่องอะไรไปเลี้ยงรับเลี้ยงร่างกายเราเหมือนกับเลี้ยงเราทำไมในเวลาเรามีคนใช้เราเลี้ย ง, งร่างกายเลี้ยงคนใช้เหมือนเลี้ยงตัวเราปะคนใช้เราก็ให้มันอยู่บ้านห้องเล็กๆ ก, ก, ก็อยู่ได้นะ ข้าวไ้มันกินถูกๆก็อยู่ได้นะแต่เวลาเราเลี้ยงตัวเรานี่เราต้องกินของแพงๆอยู่บ้าในใหญ่ๆนะนี่เราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราเราก็ได้เลี้ยงมันเหมือนกับเป็นตัวเราควจริงมันเป็นคนใช้เราคนรับใช้เราคนจะเลี้ยงมันแบบถูกๆเลียงมันแบบเลี้ยงหมาตัวไหนอย่างเงี้ยนะขอให้มันอยู่ได้ไม่ตายก็พอเรื่องอะไรต้องไปกินอาหารในตามโรงแรมตามร้าน เมื่อเมื่อกินอยู่อยู่ที่บ้านทอดไข่เจียวให้มันได้กินข้าวได้ไข่เจียวมันก็อยู่ได้ก็ให้มันกินข้าวไข่เจียวไปก็พอ <Yes. S 1> มันก็อิ่มเหมือนกันใชมันก็อยู่ได้เหมือนกัน <Yes. S 1> นี่คือการใช้ปัจจัยสี่ต้องรู้จักว่าเรากําลังเลี้ยง้างเลี้ยงคนใช้ไม่ใช่เลี้ยงตัวเราการทําบุญนี่แหละเป็นการเลี้ยงตัวเราเพราะใจนี่คือตัวเราถ้าอยากจะเลี้ยงตัวเราต้องทําบุญเยอะ เล้าใจเราจะมีความอิ่มมีความสุขมากๆแต่เรามักจะไปทำบุญน้อยทานที่จะเลี้ยงตัวเรามากกับเลี้ยงตัวเรานิดเดียวเห็น<ม>ไหมทำบุญนิดน้อยใแต่ถ้าเลี้ยงร่างกายนี่โอ้โหพิถีพิถันเหลือเกินเต็มที่เลยกินก็ต้องแบบหรูหราเสื้อผ้าก็ต้องหรูหราอะไรหรูหราหมดโดยไม่รู้สึกตัวว่ากาลังเลี้ยงคนใช้ไม่ได้เลี้ยงตัวเอง เพราเราหลงไม่มีใครบอกเราว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้ามาเรียนธรรมะนะเราถึงจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าบอกร่างกายนี้เป็นคนรับใช้เราเราได้รับมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนให้เรามาให้มารับใช้เราเราเป็นดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจที่ไม่มีร่างกายที่ร่างกายคือคนใช้คนแก่ตายไป เราก็เลยต้องมาหาร่างกายอันใหม่มาหาคนใช้อันใหม่เหมือนกับเวลาคนใช้เก่าลาออกจากงานไปเราก็ต้องไปที่บริษัทหาหาคนงานบอกช่วยหาคนใช้สักคนหนึ่งเขาก็หามาให้เราร่างกายเนี่เป็นเหมือนคนรับใช้เราร่างกายอันเก่ามันตายไปคนรับใช้คนเก่าตายไปเราก็เลยต้องไปที่สำนักงานที่เขาผลิตคนรับใช้ก็คือไปหาไปหาพ่อหาแม่คนใหม่ เดี๋ยวพ่อแม่คนใหม่เขาก็ผลิตคนคนรับใช้คนใหม่มาให้เราแล้วเราก็เอามาเอามารับใช้เราแต่เราไม่รู้เราไปคิดว่าเป็นตัวเราเราก็เลยโอ้โหห่ว ง, วงรักร่างกายเรานี่มากกว่ารักตัวเราเองคือใจแทนที่จะให้อาหารกับใจกับมือแต่ไปให้อาหารกับร่างกายแทนที่จะหาความสุขให้กับใจกับไปหาความสุขให้กับร่างกายใจก็เลยทุกข์อยู่เรื่อย ใจก็เลยไม่สบายอยู่เรื่อยๆต่อให้ร่างกายเลี้ยงมันดีขนาดไหนใจเราจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้จักวิธีเลี้ยงดูใจของเราเนี่ยแลวไม่มีใครสอนให้เลี้ยงดูใจมีแต่สอนให้เลี้ยงดูร่างกายกันตลอดพ่อแม่ก็สอนให้ลูกเลี้ยงดูร่างกายไม่ได้สอนให้เลี้ยงดูใจเพราะไม่รู้ว่าวิวธีเลี้ยงดูใจเลี้ยงดูอย่างไร ถ้าไม่เดินมาเจอกับพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีทางที่จะรู้จักวิธีเลี้ยงดูใจเราจะรู้ก็นจักเฉพาะวิธีง่ายๆก็คือทําบุญเนี่ยแล้วก็ทําแบบน้อยไม่รู้ว่ากําลังทําให้กับตัวเองกลับไปคิดว่าทําให้กับคนอนื่นใช่ไหมเวลาเอาเงินมาถวายพระก็คิดว่ามาให้พระมาให้วัดแต่ความจริงเนี่ยกำลังมาซื้อของซื้อบุญกลับไปรู้ปะเวลาเราไปร้านเซเว่นราก็เอาเงินมาให้เขาใช่ไหมแล้วเราได้อะไรกลับมาปะ เราก็ได้ของเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเรามาทํามาวัดเอาเงินมาให้วัดเนี่ยเราก็เหมือนมาซื้อบุญรู้เปเอาเงินนี้มาซื้อบุญกลับไปแล้วใจเราก็จะมีความมีอาหารกิน <c oughs> เป็นการเลี้ยงดูใจไม่ได้เป็นการเลี้ยงดูร่างกายการทําบุญนี้เป็นการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็มีบุญหลายระดับด้วยกันระดับง่ายที่สุดก็คือเนี่ยก็คือ บุญที่เกิดจากการทําทานเนี่ยเอาเงินทองมาให้ให้พระให้วัดเนี่ยแต่ยังมีบุญที่ดีกว่านี้ที่ให้ความสุขมากกว่านี้บุญระดับที่สองก็คือศีลรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลได้แล้วใจเรามีความสุขมากขึ้นเวลาเราทําบาปนี้ใจเราสุขแล้วทุกข์กันนั่นเวลาเรารักษาศีลได้ใจเราเราทุกข์ก็ปาไม่ทุกข์ใช่ไหม อันนี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจระดับที่สองเรือการกำจัดความทุกข์ของใจให้น้อยลงไปทำให้ใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเรายังมีระดับที่สามที่สูงกว่าศีลอีกอันนี้คือระดับของพระของนักบวชบุกนักบวชเขามาทำใจให้สงบเขามาฝึกสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อที่จะทำให้ใจหายทุกข์ ทำให้ใจมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่แหละคือวิธีหาความสุขให้กับตัวเราต้องหาด้วยทานศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาคาว่าภาวนาก็คือการจเจริญสมาธิกับการจเจริญปัญญาเรียกว่าภาวนาการจเจริญสมาธิเราเรียกว่าสมถภาวนา การเจริญปัญญาเราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าเราให้ให้ความสุขกับใจด้วยสามวิธีนี้ใจเราจะมีความสุขล้นฟ้าเลยเต็มพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสุขล้นฟ้าด้วยการกระทำสามอย่างเนี่ยทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดกาจัดตัวที่จะมาทำให้ใจทุกข์ ให้หมดหมดไปจากใจพอไม่ตัวที่มาสร้างความทุกข์หมดไปใจก็เหลือแต่ความสุขล้วนๆสุขตลอดเวลาไม่มีอะไรมาก่อบครนจิตใจต่อไปนี่คือระดับของการสร้างความสุขให้กับตัวเร า, เ, าเราสร้างตั้งแต่ระดับต่ำขึ้นไประดับแรกก็การทำบุญทำทานเพราะถ้ายัางทำบุญทำทานไม่ได้ไปรักษาศีลไม่ไหว สนี่ยากรักษาสินี่ยากกว่าการทําบุญทําทานทําบุญก็อย่างมากก็ฝากกระเป๋าเอาเงินใส่ซองก็ได้ทําบุญแล้วแต่รักษาสินี่แม้เวลาอยากจะโกหกนี่มันห้ามยากมากวลยเวลาอยากจะขโมยข้าวของของใครนี่มันห้ามใจยากแล้วลยเวลาอยากจะฆ่านี่ฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าอะไรต่างๆพอมาแมลงมดมาก็ มดยุงมาเกาะปุ๊บตบปุ๊บเลยเห็นไหมแล้วยิ่งมานั่งเฉยๆทาใจให้นิ่งให้สงบนี่ยิ่งยากใหญ่ให้นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไม่ให้ไปคิดอะไรเนี่ยนั่งไม่ได้นั่งได้ปั๊บเดียวก็อึดอัดขึ้นมาแล้วแต่เวลานั่งดูหนังนี่นั่งได้เป็นชั่วโมงไม่รู้สึกเึดอัดเพราะใจชอบคิดชอบปรุงแต่ง เวลาดูหนังก็ปรุงแต่งไปกับหนังที่ดูเพลินมีความสุขตื่นเต้นหวาดเสียวดีใจเสียใจไปกับหนังที่ดูแต่พอให้มานั่งเฉยๆมาให้พุโทโธพุโทโธแล้วดูลมแล้วมันจืดชืดดูแล้วมันไม่สนุกดูแล้วมันเบื่อ <c oughs> ก็เลยเกิดอาการอึดอั ด, อดน้ำคาญนั่งไม่ได้เราเลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุดมากกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลมากกว่าความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานแต่เราต้องไต่จากของง่ายไปหาของยากก่อนทาบุญทาทานให้เป็นนิสัยให้ได้ก่อนอย่างที่บอกวันนี้ลองหัดทาบุญทุกวันต่อไปนี้ใส่กระปุกไว้วันละบาทสองบาทถ่ายไป แล้วถึงเวลาไปจะไปทําบุญ<น>ก็เอาเงินที่ใส่กระปุกเนี่ยไปทําบุญห้ามมาไปใช้อย่างอื่นห้ามยืมเวันที่ใส่แล้วเดี๋ยวขอยยืมพอเงิน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ของวนนี้ไม่ใช่ของเร า, เราแล้วเป็นเงินทําบุญแล้วเดี๋ยวเกิดเวลาเราอยากจะมาวัดมาทําบุญเราจะได้มีเงินมาซื้อของม า, มาทําบุญเราจะได้ทํามากเ <c oughs> พราะเราทําอยู่ทุกวันทุกครั้งที่เราหยอดเงินเข้าไปในกระปุกเราจะรู้สึกมีความสุขใจ เหมือนกันได้เหมือนกัได้ทำบุญแล้วทำอย่างนี้แล้วเราจะได้ทำบุญทุกวันเราจะได้มีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจจะทำให้ความอยากไปเที่ยวน้อยลงความอยากไปดูหนังฟังเพลงน้อยลงความอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆน้อยลงเราทุกวันไหนอยากจะไปเที่ยวกองเงินไปเที่ยวนิสัยก็ปลูกแทนจะดีกว่าไปเที่ยวจะได้ความสุขที่ดีกว่าจะทาให้เรามีความอิ่มใจ เอาเงินไปเที่ยวกลับมาบ้านก็อยากหิวอีกอ่ะอยากจะไปเที่ยวหแต่ถ้าเอาเงินที่ไปเที่ยวใส่กระปลูกแทนนี่ไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านได้มีความสุขได้แล้วก็จะไม่มีความอยากออกไปเที่ยว <c oughs> ะอะทำทานให้ได้ก่อนทำทานได้แล้วจะรักษาศีลได้ง่ายเพราะคนทำบุญจะไม่ชอบทาบาสนั่นเองทาบุญอยากจะช่วยคนอื่นไม่อยากจะไปทาให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ไม่อยากจะเบียดเบียนคนอื่น ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ในราชานเราก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนเขาเพราะเรามีแต่จะให้เขาเช่นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วเราจะไปตีเขาได้ย่าไงใช่ไหเราลาดเขาเรามีควา ม, มเมตตาต่อเขาคนทำบุญมักจะไม่ทำบาปคนทำบุญนี่จะทำทำบาปยากคนไม่ทำบุญนี่จะทำบาปง่ายเพราะคนไม่ทำบุญนี่จะคิดแต่จะเอาประโยชน์ใส่ตัว อยากจะได้อะไรก็ไม่สนใจว่าจะไปทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าต้องโกหกก็โกหกต้องโอกงก็โกงมีพวกพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเล่าให้ฟังว่ารักษาศี่ห้าแล้วค้าขายลําบาก <c oughs> ไม่รู้ลาบากยังไงเพราต้องโอกงใช่ไหมต้องโกหกใช่ไหมเพื่จะขายได้อ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้า แต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วเขาจะเขาจะรักษาศินนะก็ขายไปซื่อตรงตามขายได้เขาขา ย, า ข, า ย, ข, ายขายไม่ได้เขาก็ไม่เขาจะไม่โกหกเขาจะไม่โกงเ mm hmm. พราะเขาก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินมากเพราะเงินที่เขาได้มาเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทำบุญหรือเก็บเอาไว้ใช้กับความจำเป็นสิ่งจำเป็นเขาจะไม่เอาไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของไม่จาเป็นต่างๆ เพรนความจาเป็นที่จะต้องได้เงินก็จะไม่มีมากเขาก็พอที่จะทําหากินแบบสุจริญได้แบบไม่ต้องโกงได้รักษาศีลได้ทําบุญแล้วจะทําให้เรารักษาศีลได้ง่ายแล้วพอเรารักษาศีลห้าข้อได้แล้วถ้าเราอยากจะไปอยู่แบบนักบวชลองปฏิบัติแบบนักบวชเราก็จะเพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแปด รักษาห้าข้อได้แล้วเพิ่มอีกสามข้อมันจะยากตรงไหนใช่ไหมก็แค่งดข้าวเย็นนั่นเองงดเที่ยวแล้วก็งดนอนบนฟูกหนาหนา น, นี้เองอีกสามข้องดการแต่งเนื้อแต่งตัวดีซะอีกประหยัดเงินไม่ต้องเสียค่าเครื่องสำอางไม่ต้องไปเสียเงินทําเผาทําผมอะไรไม่เที่ยวนี่ประหยัดเงินทัง ถ้าเราถือศีลเพิ่มได้สามข้อเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันถ้าเราไม่ถือศีลเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันไปกินเลี้ยงกันไปดูหนังฟังเพลงกันมันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาภาวนานั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่เป็นระดับที่สูงสุดที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำทานจากการรักษาศีลเราก็ต้องมาฝึกภาวนากันมาถือศีลแปดแล้วก็มา นั่งสมาธิกันนะก่อนจะนั่งก็ต้องฝึกสติก่อนเพราะถ้าไม่มีสตินั่งไปมันก็ไม่สงบเพราะใจเราเป็นเหมือนลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งๆ ล, ลิงมันชอบกระโดดโลดแต้นไปนู่นมานี่อยู่ตลอดเวลาฉนั้นเราต้องตเตรียมหาเชือกมาก่อนถ้าเราจ ะ, า จ, ะจะให้ลิงให้ลิงมันอยู่เฉยๆแล้วต้องไปหาเชือกมาจับมามัดมันถ้าไม่มีเชือกมันก็จะไม่อยู่เฉยๆเชือกที่จะมัดใจเรียกว่าสติ ถ้าไม่มีสติใจก็จะคิดไปเรื่อยๆก็ยหยุดคิดตั้งไหมอย่างตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่ตื่นเมาจนถึงวันนี้หยุดคิดกันหรือเปล่าคิดกันมาทั้งวันแล้วคิดไปเรื่อยๆแม้แต่นอนหลับก็คิดเชื่อไหมเวลาเราฝันนี่ก็เป็นความคิดทางนั้นเวลาเราฝันก็เป็นความคิดงั้นก่อนที่เราจะมานั่งแล้วทําให้ใจนิ่งให้สงบไม่คิดได้นี่เราต้องฝึกสติก่อนฝึกให้มันไม่คิดก่อนที่เราจะมานั่ง เราสามารถฝึกสติได้ในในในในในเวลาทุกเวลานาะทีตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเพียงแต่คอยควบคุมอย่าให้มันไปคิดเห็นพอลืมตาขึ้นมาก็ให้มันคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธคําเดียวอาบน้ําก็พุโทโธล้างหน้าก็พุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธกินข้าวก็พุโทโธไปมันก็จะไปคิดเรื่ององู้นเรื่องนี้ไม่ได้อพอเรามีสติแล้วพอเรามานั่งเราก็จับมันจับ จับลิงนี่มัดให้มันอยู่เฉยๆได้พอนั่งเราก็นั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็นิ่งสงบแล้วจะพบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขเหนือกว่ า, วาความสุขทั้งปวงถ้าได้พบกับความสุขอันนี้แล้วก็จะทิ้งทุกอย่างได้ทิ้งความสุขทางโลกได้เลิกเที่ยวได้เลิกมีแฟนได้เลิอกอะไรได้หมดเลยไปบวชได้อยู่เป็นแม่ชีเป็นพระได้ เพราะไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่ากับการทําใจให้สงบอันนี้แหละเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบพระพุทธเจ้าก็เหมือนพวกเราเมื่อก่อนก็หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงจากการกินการดื่มจากการเที่ยวการเล่นแล้วต่อมาท่านเห็นว่าต่อไปร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายน่าจะทำไม่ได้เวลาแก่จะเที่ยวจะเล่นเหมือนคนหนุ่มคนสาวก็ไม่ได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องนอนอยู่บนเตียงไปทำอะไรไม่ได้เวลาตายยิ่งไม่ทำอะไรไม่ได้ท่านกเ็เลยบอกว่า ว, วิธีหาความสุขแบบนี้ต่อไปมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะจะไม่สามารถหามันได้ก็เลยอยากจะหาวิธีใหม่ก็เลยไปพบกับ น, นักบวชนักบวชก็มาทามาทำใจให้สงบสิทำใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายพาไปเที่ยวพาไปเล่นไปกินไปดื่ม พระพุเจ้าก็เลยสละราชสมบัติเพื่อที่จะไปหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคว <Yeah. S 1> ามสุขที่เกิดจากการควบคุมใจให้สงบให้นิ่ง yeah. Yeah. ก็ไปเรียนก็ได้ถึงความสุขที่ได้ระดับชั่วคราวหรือควบคุมใจให้นิ่งด้วยสตินั่งสมาธิใจก็มีความสุขแต่พอออกจากสมาธิมาใจเริ่มคิดเริ่มอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา yeah. ใจมันอยากตลอดเวลาเวลาอยากกินกาแฟนี่ถ้าไม่กินกรู้สึกยังไงหดเหงิดไห ม, มเวลาอยากเที่ยวไม่ได้เที่ยวหงุดหงยดนะถ้าเราหยุดความอยากเสียมันก็หายหงุดหงยดนะพระพุทธเจ้าสองคนพบวิ ธ, ธีที่จะทําให้ใจไม่หงุดหงิดเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็คือหยุดความอยากอย่าไปทําตามความอยากเวลามันอยากกินกาแฟแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงกาแฟเดี๋ยวก็ลืเรื่องเรื่องกาแฟไป ความอยากหนึ่งก็แฟก็หายไปอันนี้ก็เป็นวิธีที่พระเจ้าทรงค้นพบว่านอกจากถ้าทําใจให้สงบด้วยการเอาเอาเชือกมามัดมันเดี๋ยวเราก็ต้องเราก็ต้องถอดเชือกออกเพราะว่าเราต้องออกจากสมาธิเราจะนั่งสมาธิไปทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ะพอเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องมาควบคุมความอยาก ถ้าเราปล่อยให้ความอยากโผลขึ้นมามันก็จะทําให้เราทุกข์นะ uh huh. แล้วเราก็ต้องเวลาความอยากโผล่ขึ้นมาแล้วก็อย่าไปทําตามความอยากพอไม่ไปทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หมดกําลังแล้วต่อไปก็จะไม่มีอะไรมาทําให้เราหงุดหงิตทําให้เราหิวโหยทําให้เรา ว, าวร้าเหวเศ้าซร้อยงอยเหงาอาการเหล่านี้เกิดจากความอยากทั้งนั้นพออยากเที่ยวไม่ได้เที่ยวต้องอยู่บ้านก็เศ้าซร้อยงอแงเหงา ซึมเศร้าคนที่ซึมเศร้าเพราะว่าอยากอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำก็ต้องซึมเศร้ากันแต่ถ้าเราหยุดความอยากอาการซึมเศร้าจะหายไปหยุ ด, ด้วยการไม่ไปทําตามความอยากอยากก็ไม่ทํามันมาทําใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปพอใจสงบความอยากก็หายไปแล้วความสุขก็โผล่ขึ้นมาใหม่นี่แหละคือวิธี การมาเรียนรู้คำสอยของพระพุทธเจ้าเนี่ย ม, มมยมีระดับปฐ ม, ร, ร, ม, ธธ ร, ร, มระดับมัธยมระดับปริญญาระดับปฐมก็ทําบุญทำทานระดับมัธยมก็รักษาศีล ร, ระดับปริญญาก็เนี่ยมาฝึกสมาธิฝึกปัญญาการฝึกสติกันเดินกำกรมนั่งสมาธิถือศีลแบบกันบวชกันแล้วแต่ว่าจะอยู่ใน ฐานะไหนอยู่ระดับไหนก็ทำไปตามฐานะนั้นไปตอนนี้เรายังทำทานไม่ได้ก็หัดทำทานให้ได้ก่อนทำทานให้มันเป็นติดเป็นนิสัยไปมากน้อยไม่สำคัญวันละบาทก็ยังดีน่าจะทำได้นะวันละบาทเนี่ยาบาทสองบาทสามบาทาทำไปแล้ว เ, เดี๋ยวจะเกิดมีความสุขใจจากการทำบุญแนละ้วอยากจะทำมากขึ้นไปเอง ยิ่งทำมากยิ่งมีความสุขใจมากเราจะทําให้รักษาศีลได้เพราคนทําบุญนี้จะไม่ชอบ ท, บาทําบาปพอรักษาศีลห้าได้ต่อไปก็รักษาศีลแปดได้วันพระวันหยุดทํางานหยุดเรียนทุกเสกก็ลองมาถือศีลแปดดูแล้วก็ลองอยู่กับบ้านหรือไปอยู่กับวัดอยู่เฉยเฉยนั่งสมาธิควบคุมใจอย่าให้คิดนเราจะพบกับความสุขที่ ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปดูไปฟังอะไรต่างๆเรวต่อไปเราก็จะสบายไม่ต้องไปดิ้นนนนหาเงินหาทองกันมานั่งเฉยๆดีกว่านั่งเฉยๆนี่ได้ความสุขระดับมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านดีกว่าร้อยล้านพันล้านสิมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ซื้อความสุขนี้ไม่ได้ รับรองนะไม่ค่อยมีม้าเศรษฐีร้อยล้านพันล้านที่จะมีความสุขแบบนี้คนที่ยังมีได้ต้องเป็นขอทานต้องสละสมบัติร้อยล้านพันล้านไปอย่างพระพุทธเจ้าต้องสละราชสมบัติแล้วไปอยู่แบบขอทานถึงจะมีเวลามาทําใจให้สงบถ้าเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ต้องคอยเฝ้าเงินคอยหาเงินคอยรักษาเงินอยู่นั่นแหะวันวนหนึ่งก็ยุ่งกับเรื่องเงินเรื่องทองแล้วมันจะมีเวลามา หยุดความคิดได้ยงไงมันก็ต้องคิดอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองไปทั้งวันทั้งคืนพระพุทธเจ้ารู้ถึงจะต้องสลดราชสมบัติถ้าอยู่ในวังก็ต้องคิดกับเรื่องของในวังถ้าไปบวชเป็นขอทานก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องคิดก็หยุดความคิดได้ไง่ายนี่ก็เรื่องของธรรมะระดับต่างๆที่พวกเรามาศึกษากันก็ขอให้เอาไปปฏิบัติ เราปฏิบัติได้อย่างน้อยก็ระดับแรกคือระดับทานเราถ้าระดับศีลห้าได้ก็รักษาไปรักษาศีลห้าได้ก็อาทิตย์หนึ่งก็ลองรักษาศินแปดดูสักวันลองมานั่งสมาธิดูสักวันหนึ่งเผอโชคดีถูกแจ็คพอตก็จิตมันสงบขึ้นแล้วจะจะติดอกติดใจจะไม่อยากได้อะไร เพราะไม่มีอะไรที่จะสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบเรนนักก็คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะท้าวาริวาหาปุราปาริกโปเรนติสาคลังเอวเมวะอิตทินางเปตานาังอุ ป, ปกั ป, ปติ เอิชี้ตังปัทธิตางตุ მ หังคิดปาเมวะสมิจจัตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปณะอะร h โสยะามณิโชติอราโสยะธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขวินัสตุ มาเตผวะตวันตระโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาศิริสะนิจังวุธาปจายโนจัตารธรมมวัฒนติอายุวันโอสุขังภาลัง เจ้านายเป็นเจ้าของบรัทในันคา่าแอรกคาซ่าใช่เว่าในการคาซ่าเราถึงมันก็มีความหลากหลายของเรื่องเทปอ่าอยากจะเปิดน้องสักการาจารย์เป็นเทปที่บริษัทนี้เขาจะได้ไหมครัอ๋อคไม่ได้แล้วเพราะเราไม่มีเวลาเพราะเราต้องเทศอยู่ที่ทุกวันไม่สะดวกให้เขาเปิดฟัง YouTube ได้เนี่ยมี u t u b e มี Facebook ถ่ายทอดสดอยู่ทุกวันเนี่ยให้เขาเปิดฟังดูเองก็ไ จัดให้เข้ามาฟางที่นี่จะสะดวกกว่าที่นี่ก็มีพวกนั่งมามาฟังกันอยู่เหมือนกันมาได้มาวันไหนว่างก็มาแล้วก็มานั่งฟังแล้วก็อยากจะให้ไปนี่ไม่สะดกวกเพราะไปแล้วที่นี่คนที่เข้ามาที่นี่เขาก็จะไม่มีไม่มีใครสอนก็เอามาที่นี่จะดีกว่ า, าจัดให้เขามานั่งรถตู้มาจัดมาทีละสิบคนก็ได้ไดีไหม เราจัดมาที่นี่มีทุกวันบ่ายสองโมงถึงสี่โมงแล้วบรรยากาศมันดีกว่าที่นี่มันเงียบสงบบลังแล้วมันได้รสชาติกว่าไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวมันเหมือ น, นี้ก็ไปอยู่บนเวทีนั่นนะ <c oughs> <c oughs> มันก็บรรยากาศไม่เหมือนกันแล้วธรรมะมันจะไม่ไม่ออกมาธรรมะนี่มันต้องอยู่ในสถานที่สงบแล้วธรรมะมันจะออกมา ถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีแสงสีเสียงนี่มันกลัวทำมากันจะหดเข้าไปออกมาก็เหมือนบังคับดึงออกมามันไม่เป็นธรรมชาติเคยไปเทศแล้วเคยไปเทศที่อื่นมันไม่เหมือนกับเทศที่นี่เทศที่อื่นมันบรรยากาศมันบางทีคนเดินไปเดินมาเสียงคือก็ทึกกุกโคมอะไรมันพูดแล้วมันไม่มันไม่มันไม่มันไม่ไม่เหมือนที่นี่ที่นี่มันไม่มีอะไรมารบกวนะนะก็ขออภัยด้วย ว่าไม่ได้รับกลิ่นนิมนต์ถ้ารับกลิ่นนิมนต์ก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะจะมีคนมานิมนต์ไปทุกวันเนะ่ยถ้ารับคนหนึ่งแล้วไม่รับอีกคนนี่ก็โดนดายก็เลยไม่รับหมดเลย <c oughs> หมดปัญหาไปนะบอกเขาว่าถ้าอยากจะฟังได้นะให้เข้าไปเข้าในเฟ o o k y o ยู u b e ได้ใส่ชื่อพระสุชาติเข้าไปเขาก็จะเจอบ่ายสองโมงก็ดูได้ถ่ายอด เดี๋ยนี้ที่ที่ยุนนาเกลเขาก็มีช่องของบางละมุงเคเบิลเขถ่ายทอดทุกวันช่องหนึ่งเนี่ยมันรู้สกช่องของของบางละมุงเคเบิลถ้าถ้าท่านมีเคเบิลของบางละมุงก็เปิดดูได้เลยก็ถ่ายทอดสดทุกวันนะขออภัยด้วยนะั่วนนี้ทาง youtube กับทางเฟซบุ o กเข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ o กสามร้อยเก้าสิบสองค่ะ ทางยูทูบร้อสบ้าค่ะห้ารอยกว่าแล้วมีคำถามไหมไมีม <คำ S 2> ต่า ง, างชาติไหมไม่มีค่ะไม่มีภาษาไทยเลยอย่างงี้คำถามจาก Facebook l i v e ค่ ะ, ะจากน้องอุ้มตัดศีลานครทำยังไงจะทำให้ไม่คิดฟุ้งซ่านครับก็มีสติไงต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่างที่เมื่อกี้บอกจิตเหมือนดิงไง ถ้าไม่มีเชือกผูกมัดมันไว้มันก็จะเที่ยวเล่นกระโดดโล ด, ดเต้นไปทำอะไรต่างๆจิตถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดฟุง้งซ่านนั้นต้องสร้างสติด้วยการเอาเชือกมาผูกมันเชือกนี้ก็คือพุทโธเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติวิธีสร้างสติก็มีอยู่สี่สิบวิธีเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบหนึ่งในสี่สิบวิธีก็คือพุทโธพุทโธ ไอเราเราเลือกพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่สามารถไปคิดเรื่องต่างๆได้แล้วใจเราก็จะสงบหายฟุ้งซ่านได้ลองทําดูสิสิบนาทีพุโทโธสักสนะิบนาทีนี้รับรองความฟุ้งซ่านจะหายไปแ ย, ย่าโกยจะทําไม่ได้นะพุโทโธได้แค่ไม่ถึงนาทีนี้ก็ไปแล้วเ <c oughs> <laughs> ชื่อขาดแล้ว ขอถามเพิ่ม<ช>แล้วถ้าพูดโธไม่ถึงนาทีเราต้องทํายังไงต่อคะก็พูดโทต่อไปเ<笑><笑>ปถพูดโทไปได้เรื่อยถ้าหยุดมันก็คิดใหญ่เลย เ, ลยเลหมือนรถนี่ยถ้าไม่เหยียบเบรคมันก็ไหลไปเรื่อยๆต้องคอยเหยียบเบรคมันเหยียบไปเรื่อยๆพอถึงเราจะคิดแล้ก็กลับม า, ากลับมาพูดโทรเรื่อย ตอนต้นมันจะเดินกันไปเดิงกันมาพุทธโทได้สองคำไปคิดอีกแล้วเดึงกลับมาพุโทโธใหม่ได้สองคำก็ไปอีกแล้วก็ดึงกลับมาใหม่ทํางนี้ไปต่อไปก็จะอยู่เองถ้าเราไม่ยอมถอยไม่ยอมแพ้มันต้องแพ้เราที่เราแพ้มันเพราะเรายกธงขาวก่อนไม่เอาแล้วก็เลยมันก็ปล่อยให้มันคิดมันก็เลยฟุ่งซ่านคาถามจาก youtube ค่ะจากคุณ kr หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งจากโคราชค่ะ ขอเรียนถามการฝึกสมาธิเวลาเช้าหรือกลางคืนแบบไหนน่าจะได้ผลดีกว่ากันคะคือจิตนี้มันจะฟุ้งมากกว่าในช่วงกลางวันนกลางคืนมันจะฟุ้งน้อยกว่าเพราะในช่วงกลางวันมันไปรับรู้เรื่องราวมากมันก็เลยต้องคิดมากมันก็เลยฟุ้งมากจะทําสมาธิช่วงกลางวันมันก็จะยากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับช่วงกลางคืนเพราะช่วงกลางคืนเรากลับมาบ้านเราลืมเรื่องการทํางานทําการเรื่องราวต่างๆ เช่นเวลาเรานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะจิตมันจะสงบกว่าแต่เวลาก่อนนอนนี่อาจจะทํายากกว่าเพราะว่ามันหนึ่งมันอาจจะเหนื่อยมันจะง่วงสองความคิดเรื่องราวต่างๆก็ยังมีตกค้างอยู่ในใจดะงนั้นถ้าจะทําเวลาที่ดีสุดก็คือตอนเช้ามืดตื่นขึ้นมาพยายามตื่นเช้า้านอนหัวค่านอนไม่ต้องมากห้าชั่วโมงก็พอนอนทักสามทุ่มสย พ อ, อตีสองก็เตยขึน้นมาก็นั่งสมาธิไปถึงสว่างได้เลยคะคำถามจากคุณโบขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการที่เราไปปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ปิดวาจาและยังดูลายคุยโทรศัพท์ทั้งทั้งที่เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะปิดวาจาถือว่าเราเสียสัจจะและจะไม่ก่อให้เกิดบารมีหรือเปล่าคะใช่เสียสัจจะเพราะว่าเราการที่เราปิดวาจาเพื่อเพื่อที่จะไม่คิด เพราะความคิดวาจามันมาจากความคิดก่อนที่เราจะพูดได้เราต้องคิดก่อนแต่การปิดวาจามันก็ไม่ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าไม่ไปปิดความคิดมีคนนึงเขาปิดวาจาแต่เขาเขียนหนังสือเวลาเขาอยาติดตอ่ออยากจะได้อะไรกับใครก็เขียนอยู่นั่นน่ยไม่พูดงไงแต่ใช้มือเขียนแทนมันนี่มันก็เหมือนพูดอะพูดโดยที่ไม่ต้องออกเสียงพูดโดยใช้มือเขียนอย่างนี้ก็มันก็อย่าไปปิดวาจาให้เสียเวลา ที่ต้องการให้ปิดวาจาเพื่อให้หยุดคิดเออนมาหยุดคิดดีกว่าแล้วเราจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้พูดเท่าที่จําเป็นเพราะบางทีเรายังต้องพูดกันอยู่น อ, นอกจากเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้จะพูดกับใครแต่วเวลามาร่วมกันมาทํางานร่วมกันบางทีก็ต้องบอกกันบ้างว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็ต้องใช้คําพูดบ้างนะ yeah. ใช้น้อยที่สุดไม่ใช้มากใช้เท่าที่จําเป็นเออนใช้สติดับ หยดความคิดดีกว่าถ้ามีสติแล้วมันมอมไม่คิดมันก็ไม่พูดแต่ถ้ามันคิดเดี๋ยวมันก็อดพูดไม่ได้เดี๋ยวมันก็อยากจะพูดขึ้นมาแล้วก็อย่าไปยุ่งกับพวกไอ้ไลน์เลยเพราะมันก็ใช้ความคิดเหมือนกันเวลาอ่านมันก็ใช้ความคิดนะแล้วลเวลาตอบก็ใช้ความคิดอีกยังถ้าต้องการที่จะไปปฏิบัติธรรมนี้ต้องตัดให้หมดพวกพวกสื่อต่างๆมือถือนี่ก็อย่าเอาไปเอาไปก็ปิดหรือฝาก า ก, กับเจ้าหน้าที่ของสถานที่ที่เราไปเพื่อเราจะได้ไม่ใช้นอกจากเกิดมีเหตุฉุกเฉินจะมันจะต้องใช้ค่อยไปขอใช้ถ้าอยู่ใกล้มือเดี๋ยวมันคัน่ะเดี๋ยวมันอดไม่ได้เดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งอ่ะขอเช็คนุ่นหน่อยอะไรพอพอขอปับ๊บมันยาวไปเลยเพะงั้นอย่าอย่าไปใช้สื่อถ้าเราอยากจะไปปฏิบัติธรรมคำถามจาก Facebook Live ค่ะจากคุณศรีสรี ลูกฝึกนั่งสมาธิมาสักระยะหนึ่งแล้วกลางคืนจะตื่นทุกสองชั่วโมงลูกก็มานั่งสมาธิได้บ้างหลับบ้างระยะนี้ลูกนอนหลับดีมากไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะต้องทำอย่างไรคะก็เรื่องหลับมันก็เป็นเรื่องของทางร่างกายส่วนใหญ่ถ้าร่างกายมันสบายมันต้องหรือมันต้องการพักผ่อนมันก็จะหลับง่ายถ้าที่หลับยากก็อาจจะเป็นเรื่องทางจิตใจมีส่วน จิตใจเราเครียดเราวิตกกังวลคิดมากก็จะนอนไม่หลับได้เรื่องนอนหลับลไม่หลับนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการปฏิบัติอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสตินั่งเดี๋ยวก็หลับเพราะว่าจิตมันไม่มีอะไรคอยดึงไว้มันก็จะมันก็คอยหลับตอนช่วงนั้นมันก็จะหลับต่ออยงนั้นถ้ามันหลับก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเพือ เดินแล้วก็จะราสติพุทธโธพุทธโธไปแล้วพอเมื่อยก็ลงมานั่งแล้วก็พุทธโธใหม่อย่างนี้ก็จะได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้านั่งเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หลับเพราะถ้าอยู่ในช่วงดึกดึกลางคืนเดี๋ยวก็ง่วงมาอาจจะตื่นขึ้นมาปั๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ง่วงใหม่หลับใหม่ ง, งั้นก็ก็ทําทำเท่าที่ทําได้ก็แล้วกันะ คำถามจากคุณฮุกค่ะลูกขาดความเพียรเจ้าค่ะมีมีวิธีอย่างไรเจ้าคะก็ขยันเลเวลาขี้เกียจก็ลุกขึ้นมาเดินอะไรทําไปอย่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยมันก็ขี้เกียจก็ใช้มันใช้คนใช้เนี่ยใช้มันไปหางานให้มันทําขี้เกียจก็ใช้มันกวาดบ้านถูบ้านทําอะไรไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะขยันขึ้นมาเอง คำถามจากคุณเป็นอิสระค่ะมีคำถามค่ะการที่เรานึกรู้อะไรล่วงหน้าก่อนประมาณสักสองสามเดือนนี่คืออะไรคะพอเราอยู่เงียบๆสักพักความคิดก็เข้ามาอย่างนี้คืออะไรคะก็คือความคิดของเราเนี่ยความคิดของเรามันอาจจะไปตรงกับความจริงก็ได้ก็แสดงว่าความคิดของเราแม่นคิดอะไรแล้วก็เป็นอย่างนั้น แต่ก็ลองพิสูจน์ดูว่ามันแม่นทุกครั้งหรือเปล่ามันบางที่อาจจะเป็นการบังเอิญหรือเปล่าถ้ามันทุกคิดทุกครั้งแล้วเป็นอย่างนั้นทุกครั้งก็แสดงว่าเรามีตาทิพย์มองเห็นอนาคตคําถามจากคุณรันรวีทดิฉันเพียนปฏิบัติมาหลายปีตามวาระโอกาสดิฉันจะปฏิบัติเองที่บ้านและตามงานปฏิบัติธรรมของวัดป่าสาขาหนองป่าพง ช่วงนี้เวลาที่ดิฉันนั่งสมาธิจิตนิ่งลึกแต่เหมือนหลับจะรู้สึกตัวตรงเวลาทุกครั้งที่นั่งทำสมาธิสงสัยว่าตัวเองหลับหรือทำสมาธิไม่พัฒนาเจ้าคะก็นั่นแหละก็คงจะหลับสติมันหมดกำลังถ้ามันสงบจริงๆแล้วมันจะตื่นมันจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไม่ให้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแบบโอโหเหมือนกับไม่เคยเจอ ของอย่างนี้มาก่อนนะถ้าเป็นความสงบจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้มันจะตื่นตาตื่นใจแล้วมันจะดีใจมันจะมีความสุขมากแล้วต่อไปมันอยากจะได้แต่ความสุขแบบนี้ความสุขแบบอื่นมันจะไม่อยากได้แล้วที่นี้ความขยันหมันเพียนที่จะนั่งสมาธินี้ไม่ต้องบังคับมันละมันมีแต่อยากจะนั่งอยากจะหาเวลานั่งอยากจะหาเวลาปฏิบัติอย่างเดียวเออจากคุณเวนด้าที่นอนดีค่ะ วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ให้ธรรมะในการ ด, ดำเนินชีวิตสำหรับคนโสดเจ้าค่ะก็ะให้คิดว่าเกิดแล้ว <c oughs> ต้องแก่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้บ่อยๆเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาคำถามจากคุณกิติมาค่ะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีใหม่ได้ไปทำบุญหลายวัด พอมาถึงตรงวัดที่บางลําพูเราประพอทักว่าอมาม่าอาแปะมากันเยอะเลยทั้งทั้งที่ตรงที่ผ่านมีแค่ครอบครัวกับเพื่อนสี่คนเท่านั้นที่เราประพอเห็นคืออะไรคะก็ต้องถามว่าเลย <c oughs> ถามว่าคุณเห็นอะไรมาถามเอาทำไมนะ <c oughs> เขาอาจจะพูดเพ้อเจ้อไปก็ได้ <c oughs> เขาอาจจะไม่เห็นอะไรเขาอาจจะพูดเรื่องอะไรที่เราไม่เข้าใจก็ได้ แต่ล้วเราก็มาคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเราจะพูดถึงคนที่มามามาแล้วแล้วกลับไปแล้วไอ้เราก็มาคิดว่ามีใครมามากับเรามันเป็นเรื่องเพ้อเจอมากกว่าเราจะเล่าว่าวันนี้มีอมาม마แปะมาเยอะก็ไม่ได้หมายความว่ามากับเราเ อ, อจากคุณทุกอีกครั้งค่ะขอวิธีทําความเพียรในการทําสมาธิให้ได้สม่ำเสมอ ก็ต้องมันฝึกสติอย่างสม่ำเสมอพุโทโธไปทั้งวันนะเริ่มตาขึ้นมาก็พุโทโธไปไม่ว่าทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี่ไม่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไปจะหยุดก็เฉพาะเวลาเร า, เร า, เราต้องใช้ความคิดกับการทํางานเช่นการคิดบัญชีหรือการวางแผนงานต้องทําอะไรนี่ต้องใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธไป ไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานก็พูดโทรต่อไปคําถามจากทาง youtube ค่ะจากคุณ kr 1 0ึ1งการฝึกสมาธิของบางแห่งบางวิธีทําไมจึงทําให้มีอาการปวดหัวมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้ยินและเห็นมาตามนั้นจริงค่ะคือการปวดหัวนี่มันก็มีสองสาเหตุ มันปวดเพราะทางร่างกายมันเป็นมันก็มีโครคภัยไข้เจ็บเรื่องไม่ปกติมันก็ปวดได้แต่ถ้ามันปวดเพราะเฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเกรงมากเกินไปหรือเปล่ามันเรื่องมันอาจจะไม่ถูกกับเราถ้าไม่ถูกกับเราเราก็ลองเปลี่ยนอย่างอื่นดูเพราะมันมีจริตต่างกันมีห้าจริตมีพุทธเจริตมีศรัทธาจริตมีกามเมี โลภะจลิตโทสะจลิตฉั้นแต่ละจลิตนี้อาจจะใช้วิธีทําใจให้สงบไม่เหมือนกันเหมือนโรคอะปวดท้องก็ต้องกินยาแก้ปวดท้องปวดหัวก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวฉะนั้นก็ต้องลองลองลองลองลอ ง, ลองดูว่ามันเป็นเพราะว่าเราทําแบบที่ไม่ถูกจลิตกับเราหรือเปล่าลองลองพุโทโธดูแล้วลองดูลมหายใจดูแล้วลองเฝ้าดูการกระทําของร่างกายดู หรือลองคิดมราณ า, านุสติดูคิดถึงความตายดูเนี่ยมันมีอยู่4ีวิธีด้วยกัน่ะที่จะทำให้ใจสงบลองไปคนใน Google ดูก็ได้เหียนว่ากรรมฐาน40มันก็จะโผล่ขึ้นมาคำถามจากคุณริกกี้ดีกราบขออุบายจากพระอาจารย์เรื่องการยึติพระเครื่องวัตถุมงคลสำหรับคนที่ยึติมากๆควรพิจารณาอย่างไรเพื่อคลายความยึติครับ อ, อ๋อก็บอกว่ามันเป็นแค่วัตถุมันไม่มีสาระอะไรเราไปหลงเขาเขาสมมติกันขึ้นมาเขาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันดีอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเพราะมันจะมี อ, อข้อที่มันจะมายางซุกค้งบางคนบอกว่ามีพักเครื่องห้ อ, อ, อยคอแล้วจะปลอดภยัยก็ไปดูคนที่ห้อยคอแล้วตายมีต้องเยอะแยะ มันไม่มีหรอกพรกเครื่องมันเป็นเพียงวัตถุเป็นเหมือนของเล่นของเด็กอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เราไปถูกเขาถูกเขาสอนว่าเป็นของวิเศษพอใส่แล้วจะคุ้มครองเราพอวันไหนไม่ได้ใส่พรกเครื่องรู้สึกไม่มั่นใจแล้วออกจากบ้านกลัวเดี๋ยวจะลดความตายกลัวจะถูกรถชนตายขึ้นมามันเป็นเรื่องอุปทานเรื่องของความคิดปรุงแต่งของเรานะ ต้องดูว่าคนที่ห้อยพระเครื่องก็ตายคนที่ไม่ห้อยคอห้อยพระเครื่องก็ตายพระเครื่องมีบ้านตเต็มบ้านขโมยก็ขึ้นบ้านได้บ้านก็ไฟไหม้ได้ไม่กันอ้ามท่วมได้มันไม่มันมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นเพียงแต่ความเชื่อของเราคํำถามจาก facebook Live ค่ะจากคุณเีรศักดิ์ทําสมาธิสักพักแล้วเกิดปวดขารุนแรง บางครั้งทนต่อไปก็หายประวัติเกิดปีติจิตสงบเบาแต่ส่วนมากจะทนปวดไม่ได้ต้องหลุดจากสมาธิติดตรงนี้ตลอดอยากให้พระอาจารย์แนะนําครับก็นั่นแหละถ้าเคยทําได้มันก็ควรจะทําได้ ก, ก็ลองไปพิจารณาดูว่าตอนที่มันทําได้ทําอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นอีกถ้าเราทําได้ก็แสดงว่าเราเราเรามีทางไปแล้วก็กลับมาดูทางนั้นสียว่าเวลานั่งแล้วจิตปล่อยให้มัน ให้มันหายไปเองได้ทายยังไงก็ใช้สตินี่แหละจะใช้คําบริกรรมเวลาเจ็บก็อย่าไปสนใจกับความเจ็บบริกรรมไปสวดมนต์ไปก็ได้ให้มันให้ใจมีอะไรทำํำพอใจมีอะไรทํามันก็จะไม่ไปวิตกกังวลกับความเจ็บแล้วความทุกข์มันก็จะหายไปจิตก็จะสงบแล้วก็อยู่กับความเจ็บได้คําถามจากคุณเป็นอิสระค่ะ หนูหัดนั่งสมาธิได้สักพักหนึ่งเวลานั่งพล้ายๆมันวุบๆเหมือนสับประโคมค่ะแต่รู้ตัวอยู่แบบนี้จะทําอย่างไรคะก็ลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาเดินก่อนฝึกสติให้มีกําลังมากกว่านี้แสดงว่าสติเรามีกําลังน้อยเพราะจิตจะสงบมันก็เลยหมดสติมันก็เลยสับประงกมงั้นต้องลุกขึ้นมาเดินมาเจริญสติต่อเพิ่มสติก่อนเดินให้นานๆเดินให้มีสติเยอะๆแล้วค่อยกลับไปนั่งต่อ คำถามจากหอจกอชอสยามลูกพยายามทำบุญให้มากหรือทำงานให้มากอย่างไหนจะทำให้ความเป็นอยู่ชีวิตดีขึ้นถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดูเหมือนจะขาดอีกอย่างหนึ่งไปเลยควรแบ่งหรือแยกแยะ ย, ยังไงขอรับก็มันก็ต้องทำทั้งสองอย่างเราก็ต้องทำงานเพื่อจะได้มีเงินมาทำบุญมีเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าทำบุญอย่างเดียวไม่ทางานเดี๋ยวก็หมด หมยก็เดือดล้อนก็ต้องพระพุทธเจ้าบอกต้องมัชชีมาไงต้องทางสายกลางไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งทําทานอย่างเดียวไม่ทํางานก็สุดตรงทํางานอย่างเดียวไม่ทําทานก็สุดตรงต้องอยู่กลางๆทาทานด้วยทำงานด้วยแล้วพอมีเงินเหลือก็เอามาทําบุญอย่าเอาเงินไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มไปเที่ยวกันไปเล่นกันเล่นได้บ้างก็น้อยๆ อ, อย่ า, อยาพอหอมปากอของคอ ถ้ายัางสู้กิเลสไม่ได้ก็ยอมมันบ้างก็ได้แต่ถ้าสู้มันได้ก็อย่าไปทำเลยย่ได้ยิ่งดีเอาเงินไปทำบุญแล้วจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นร่างกายก็จะสุขเพราะร่างกายมีปัจจัยสี่เลี้ยงดูจิตใจก็มีบุญเลี้ยงดูง น, นี่คือมัชชิมาความพอดีระหว่างร่างกายกับจิตใจ และชีวิตเหล่านี้มีสองส่วนไงมีส่วนร่างกายกับส่วนจิตใจเราก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนร่างกายก็ต้องเลี้ยงดูด้วยปัจจัยสี่ใจก็ต้องเลี้ยงดูด้วยบุญที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลภาวนาไปก็ต้องทำทั้งสองส่วนแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขทั้งทางกายและทางใจคาถามจากคุณคนไรวาสนาค่ะ ขอความกรุณาพระอาจารย์สอนวิธีเดินจงกรมด้วยค่ะก um ็เดินตามปกติเหมือนเราเดินทั่วๆไปเพียงแต่ว่าไม่ได้เดินแบบช้อปปิ้งไม่ได้ดูกระเป๋าดูรองเท้าให้ดูเท้าเราเวลาเดินก็ให้ดูที่เท้าเรากำลังก้าวเท้าซ้ายขวาก็ดูไปแล้วก็ดูทางที่เราเดินว่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดมีงูมีอะไรจะได้ไม่ไปเหยียบไม่ให้มันกัด ใ ห, ให้ทอดสายตาลงไปข้างหน้าแล้วก็ให้รู้ว่าเรากำลังก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือถ้าเราจะพุทโทกากับกับการเดินก็ได้เดินไปก็พุทโทพุโทโธไปทางเดินจงกมคมก็มักจะเป็นประมาณ 20-25 เถึง้าก้าวถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ก็เอาเท่าที่มีให้เดิน1ิก้าวก็เดิน1ิก้าวเดินแล้วก็หมุนกลับถ้ามันสัน้นมันหมุนบ่อยมันจะเวียนหัวก็อาจจะเดินแบบ ไม่ต้องไม่ต้องหมุนกลับก็ได้เดินแบบเดินถอยหลังไปเพราะการเดินถอยหลังก็จะบังเก้บให้มีสติมากขึ้นก็ได้แต่ต้องรู้ว่าข้างหลังไม่มีอะไรให้เราเหยียบเช่นถ้าเราเดินในห้องนี้มันเรารู้ว่านไม่มีอะไรให้เราเหยียบเราก็เดินถอยหลังได้ไม่ต้องหันไปมองเอามือคอยยันไว้ยัดอยู่ข้างหลังเผื่อมันเดินเดินกลับไปชนฝาผนังมันจะได้หยุดได้ก่อน ก็เดินกลับไปเดินไปเดินมาแล้วก็ให้ใจมีสติมีพุโทโธกํากับใจแล้วเดี๋ยวก็มานั่งสมาธิต่อได้คำถามจากคุณสุวรรณนาค่ะ <c oughs> ได้ฝึกปฏิบัติมาสักพักเจ้าค่ะในช่วงระยะนี้ในจิตมีความทุกข์เหมือนมีชีวิตอยู่สองฝั่งคือทางโลกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งต้องการจะไปอยู่วัดทมจิตภาวนา ไม่ต้องการอะไรทางโลกอีกเลยรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกเหลือเกินเจ้าคะ่ะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ช่วยแนะนําเพราะในทางโลกยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่อย่างนี้ถือเป็นกิเลสหรือไม่เจ้าคะคือถ้าทําอะไรแล้วมันมันเกิดความทุกข์ใจก็เป็นกิเลสเมื่อเรายังทําไม่ได้ก็หยุดความอยากนั่นก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความอยากที่ดีเช่นอยากไปวดัดอยากจะไปปฏิบัติอยากไปบวชถ้าไม่ได้มันก็จะทุกข์ได้ เมื่อยังทำไม่ได้ก็ต้องยกความอยากนั้นไว้ก่อนแล้วก็อยู่กับอยู่กับงานอยู่กับสิ่งที่เราทำได้ทำในสิ่งที่เราทำได้ถ้าอะไรยังไปวัดไม่ได้เราก็ทำที่บ้านไปก่อนทำเท่าที่เราทำได้มันก็จะทุกน้อยหน่อยเพียงแต่ว่ามันจะไม่เจริญก้าวหน้าในทางธรรมมันจะเจริญก้าวหน้าก็ต่อเมื่อเราไปไปไปอยู่วัดไปปฏิบัติคร่ถ้ายัางไปไม่ได้ก็ต้องรอเวลาไปก่อน กับคุณกบค่ะต้องขึ้นกรรมฐานไหมคะไม่มีหรอกกรรมฐานไม่ต้องขึ้นหรอกก็ไปเรียนกับจาจเวลาไปศึกษากับครูบาอาจารย์นั่นก็จะสอนกรรมฐานให้เนี่ยที่มาที่นี่ก็สอนกรรมฐานก็พุโทโธเนี่ยเนี่ย น, นี่ให้กรรมฐานแล้วเนี่ยบอกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ให้พุโทโธพุโทโธไปก็ถือว่าได้กรรมฐานไปแล้วหรือถ้าไม่ชอบพุพโทโธก็ให้เฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทํำอะไรอยู่ กำลังอาบน้ำกำลังนัางหน้าแปลงฟันก็ให้มันอยู่กับการทํางานของร่างกายไปและเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกกรรมฐานมันก็ต้องเปลี่ยนไป ต, ตามตามวาระของร่างกายถ้านั่งเฉยๆมันจะดูลมสบายเพราะอย่างอื่นไม่มีอะไรให้ดูเพราะร่างกายไม่เคลื่อนไหวแนละ้วก็เหลือแต่ลมถ้าไม่ดูลมก็ต้องพุโทโธถ้าเดินถ้าทาอะไรก็ดูกำลังกลังเดิน กำลังทำอะไรก็ให้ดูว่ากำลังทำอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นกรรมฐานคำ ถ, ถามจาก Youtube ค่ะจากคุณโบถ้าเรามีงบจำกัดระหว่างทำบุญหล่อพระกับบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลอย่างไหนควรทำก่อนคะก็แล้วแต่ว่าอันไหนมันจำเป็นกว่ากันไงถ้าเครื่องมือแพทย์จาเป็นกว่าก็ซื้อเครื่องมือแพทย์ไปก่อนถ้าพระพุธรูปจำเป็นกว่าก็ สร้างพรุทธรูปไปก่อนก็แล้วแต่ว่าอันไหนมันจะจําเป็นกว่ากันสําคัญกว่ากันคําถามจากเฟซบุ๊กค่ะจากคุณเก๋ถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่ออย่างเช่นไปขอหวยปีชงทําบุญประดอกเพราะเจ้ากรรมในเวรมันจะผิดไหมคะไม่ผิดหรอกถ้าเราจะผิดก็าตามเมื่อเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านสอนความจริงถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ได้พบกับความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมไม่ต้องไปเชื่อปีชงเพราะปีชงหรือไม่ชงมันก็เหมือนกันปีชงก็มีคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันปีไม่ชงก็มีคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนั้นอย่ามาอ้างว่าปีนี้คนจะตายมากกว่าปีไม่ชงมันมีมีสถิติมันยืนยันหรือเปล่าไม่มีหรอก ทุกปีมันเหมือนกันน่ะมีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งนั้นเกิดเท่าไหร่มันก็ต้องตายเท่านั้นฉังนั้นอย่าไปเชื่อของพวกนี้เชื่อกรรมเพราะความสุขความทุกข์ความเจริญความความเสื่อมของใจเรานี้อยู่ที่กรรมที่เราทําทําดีแล้วใจเราจะเจริญจะมีความสุขทําไม่ดีใจเราจะเสื่อมไม่ว่าจะปีชงกอไม่ปีชงปีนี้ปีชงขอให้ทความดีไปเถอะรับรองได้ว่าจะสุขจะเจริญ จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันทุกข์ถ้าไม่ใช่เป็นปีชงแล้วไปทํากรรมชั่วมันก็เสื่อมอยู่ดีมันก็ตกทุกข์ลาบากยากเข็นอยู่ดีแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ปีอยู่ที่กรรมาศาสนาพุทธสอนแค่เรื่องเดียวสอนเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าจะเชื่อต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเท่านั้นพอเรื่องอื่นไม่ต้องเชื่อให้เสียเวลาเพราะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะไม่มีใครรู้ความจริงดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีอีกไหมค่ ะ, ะคำถามจากคุณเคอาค่ะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของครอบครัวแต่ต้องหนีไปบวชถือเป็นบาปไหมคะไม่บาปครับเพียงแต่ว่าก็<ม>ก็ก็สละครอบครัวไปบวชให้ครอบครัวอยู่ไปตามเรื่องของเขาไม่ได้ไม่ได้ไปฆ่าคนที่อยู่ในครอบครัวนี่ถ้าฆ่าให้ตายหมดแล้วค่อยไปบวชนี่มันก็บาป แลปล่ยอยก็อยู่ก็เหมือนในเวลาคนตายไปบาปไหมคนตายแล้วที่ให้ครอบครัวอยู่ต่อไปนี่บาปว่ะใช่ไหมก็คนไปบวกก็เหมือนคนตายเนี่ยตายจากครอบครัวไงตายจากโลกของขอ ง, ของของคารวาสไปเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้านั่นเองไม่บาปเป็นบุญซะอกก็ดูพระพุทธเจ้านถ้าไม่ไปบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแล้วพอได้เป็นพระพุทธเจ้าก็กลับมาช่วยเหลือคนที่บ้านใหม่ นี้ช่วยเหลือให้ดีกว่าเก่าเองช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยู่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปเรื่อยๆก็ไม่มีวันที่จะพ้นทุกข์กันไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ยิ่งั้นการ <c oughs> การการทิ้งครอบครัวไปแบบนี้ไม่เสียหายเป็นประโยชน์เพราะต่อไปจะกลับมาช่วยครอบครัวได้ดีกว่าเก่าเหมือนกับพ่อแม่พ่อที่ไปเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานที่ซาอุดิอาระเบียสมัยก่อนเนี่ย ทิ้งครอบครัวเป่าก็ทิ้งใช่ไหมแต่ทิ้งเพื่อไปหาเงินไม่ใช่นะพอได้เงินกลับมาก็มาเลี้ยงครอบครัวมาซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรต่างๆได้ถ้าอยู่ที่เมืองไทยก็ไม่มีงานที่จะหาเงินได้ขนาดนั้นเขาก็เลยต้องทิ้งครอบครัวไปซาอุดีไปตะวันออกกลางกันเพื่อไปทํางานเพราะที่นั่นเขามีงานมีเงินเดือนที่สูงกว่าอันนี้ก็เหมือนกันการไปบวชก็เพื่อไปหาประโยชน์สุขที่สูงกว่าประโยชน์สุขที่เราได้ในขณะที่เราไม่ได้บวช พอเราได้ประโยชน์สุขเราก็กลับมามาช่วยเหลือคนที่อยู่บ้านให้เขาได้รับประโยชน์สุขที่สูงกว่าที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าช่วยให้แม่เป็นพระพระโสดาบันให้พ่อเป็นพระอรหันต์ให้ลูกเป็นพระอรหรันต์เนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไปบวชจะมาทำอย่างนี้ได้ที่ไหนงั้นการไปบวชนี่ดีเป็นบุญเอาแล้วนะวันนี้มีข้อหยข้อสุดท้ายอเอาสองข้อปิดท้าย าจากคุณอึงอึงอึเวลานั have to have to have to have to ่งสมาธิได้ห้าถึงสิบนาทีมักจะหลับทุกครั้งมีวิธีแก้ไหมคะก็ลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาเดินถ้าอยากจะนั่งไม่หลับก็ไปนั่งในป่าชา้าห <c ười> รือมันก็อดอาหาร <c ười> มีสองวิธีแก้หลับเกิดไปอยู่ในป่าชา้าไปอยู่ที่น่ากลัวแล้วมันจะไม่ง่วงหรือ อ, อดอาหารอย่า ก, กินอาหารมากพอมันหิวแล้วมันก็จะไม่ง่วง ทำ่น้นก็ต้องลุกขึ้นมาเดินทง้งงวงก็ต้องลุกขึ้นมาเดินสุดท้ายจา บ, บคุณเพนจันค่ะพิจนารณาผมผลเล็บฟันหนังอย่างไรเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเจ้าคะ อ, อ๋อต้องดูเข้าไปข้างในถึงจะเบื่อมองข้างหน้ามันยิ่งมองยิ่งสวย <c oughs> มองเห็นหนังเห็นผมมันยิ่งสวยใหญ่ต้องมองเข้าไปข้างในมองดูกระโหลกศีรษะดูโพรงกระดูก ดูตับไตไส้พุงดูปอดดูหัวใจมันถึงจะเบื่อเนี่ยมันไม่เห็นกันใช่ไหมถ้าหนังมันถ้าหนังมันใสเหมือนถูกพลาสติกนี่คงยังไม่มีใครจะชอบกันมองเข้าไปมองทะลุผิวหนังเข้าไปต้องมองใต้ผิวหนังถึงจะเบื่อถึงจะขยะขยั่งเห็นตับไตเห็นนําไส้ของเขาแล้น่ารักไหน่าดูไมนั่นหละต้องดูแบบนั้นต้องดูเข้าไปข้างในข้างนอกนี้มันไม่มี มันดูแล้วมันไม่เกิดการได้ได้ประโยชน์เท่าไหรหรอกแต่ว่ามันเป็นส่วนนอกที่เราควรจะรู้จักเท่านั้นเองผมขเล็บฟันแล้วก็หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่ยต้องมองเข้าไปอย่างเนี้แล้วมันจะเห็นภาพที่ที่ชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามเลยร่างกายนี้มีสิ่งที่ขยะขยงูอาจารคะหนูอ่าน อดีหนูเพิ่งขอได้รับหนังสือกายคาตาสติไค่ะพออ่านแล้วมันมีภาพที่เป็นข้างในอะค่ะแต่ว่าพอดูมันก็มันก็เฉยๆอะค่ะมันไม่ถึงกับเบื่อค่ะต้องทำยังไงเอ อ, เ อ, อไม่ต้องเฉยก็ให้จําไว้ท่านั้นเวลาเกิดความอยากเท่านั้นให้คว้ า, า, ามันใช้มันเวลาเห็นนักร้องเห็นดาราภาพยนตร์แล้วอยากจะเป็นแฟนอยากให้เขามาเป็นแฟนก็ให้นึกถึงดับตไตไส้คุกของเขามันจะได้เบื่อ อันนี้เป็นตัดทาการบ้านไงตอนที่เราฝึกดูนี่เป็นการทําการบ้านยังไม่ได้ทําข้อสอบข้อสอบก็กคือตอนที่เราไปหลงลักเขาั่นี่ะเราต้องรีบแก้เดี๋ยววันจะแก้ความหลงรักได้หรือเปล่าถ้านึกถึงตับตายใช่ภูมิเขาก็อาจจะโอ้ไม่เอาละไม่รักเขาละเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ